ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดง 17 กรกฎาคม 2547 ที่ ขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ทําบูชาธรรม เอ่อมีการก่อการสร้างโดยเฉพาะตอนนี้ก็จะ ทั้งถ้าเป็นกลุ่มองค์กรแบบนี้เองและสังคมถ้าเป็นกลุ่มองค์กรแบบนี้มันก็จะ คือคนไม่มีคุณค่าอะไรเลยในสังคมคนหอบพร้ามมีคุณค่าอะไรเลยตายเอาไปไม่ได้ไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องน่ะ เพิ่งหอบมาให้อ่ะตนเองเนี่ยไม่ได้ให้แก่ใครไปเนี่ยๆก็เข้าใจกันดีๆมันหอบๆๆเป็นไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อ เยอะพอเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบใจหมดตัวเองมีมากตัวเองมีเยอะ มันไม่แบ่งแจกมันไม่เฉลี่ยออกไปมันไม่กระจายออกก็เข้าใจกันอยู่นะเพราะงั้นถ้าเราได้ แต่ห่อมาไว้จะเป็นของเรามันก็ไม่มีประโยชน์นะซึ่งเนี่ยเป็นวิธีคิดที่หลักคิดที่มันเหลวไหลมานาน บวกออกเป็นกําไรหรือบวกเป็นผลได้แล้วก็หอบๆๆๆๆแนว นะเป็นอยู่ทุกโลกต่อให้เรียนรู้จะทางซึ้งเขาจะไม่รู้เลยว่าวิธีคิด มาทํางานศาสนามาก็พยายามที่จะเปิดเผยความจริงอันนี้คือเปิดเผยสัจธรรมอันนี้อธิบายออกไปยืนยันออกไปก็ได้ยิน เป็นกิเลสมันติดในอธิบายๆนานาเพื่อให้ๆว่าศาสนาของพระพุทธเจ้า อ่ะลองใครลองพยายามย้อนมีความรู้เท่าไหร่ก็ย้อนๆเกิดขึ้นแล้วมีศาสนาๆแล้ว ล้วนแล้วแต่เป็นศาสนาเทวนิยมเทวนิยมคืออะไรเทวนิยมก็คือมีเทพเจ้ามีพระเจ้า สร้างแม้กระทั่งจักรวาลสร้างให้เกิดดวงดาวสร้างให้เกิดพระอาทิตย์ประจำสร้างให้เกิดอะไรสารพัดในอเทวนิยมไม่ไม่ ท่านยืนยันของท่านเลยว่าเป็นอเทววิทยานิยมๆนานา พระศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหัวเดียวกระเทียมรีบเลยนะอเทวนิยมขึ้นมาต้องทํางานหนักมากเพราะว่าล้อมรอบไป ประกาศพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาประกาศอะไรมั้ยประกาศอัตตหิ ไม่พึ่งพระเจ้าพอเขาเฝ้าพึ่งพระเจ้าก่อนทั้งนั้นเทวนิยมนี่เขาพึ่งพระเจ้า ทำให้ประเสริฐทําให้สุดยอดทําให้เป็น พระพุทธเจ้าค้านแยงศาสนาที่มีเทวนิยมอยู่อย่างหนักอย่าง ไม่จะมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าพวกคุณนี่มีสิทธิ์ไปเป็นไปเป็นพระศาสดาไปเป็นเป็นไม่มีสิทธิ์นะศาสนาเทวนิยม เอาส่วนนั้นส่วนนี้ของพระองค์อวตารมาให้มาเกิดมาช่วยโลกมนุษย์อ่าให้มาช่วยโลกมนุษย์อยู่ พระศาสดาเป็นอวตารของพระเจ้าแล้วเรารับเป็นพรีเซนเตอร์พระ องค์พระเจ้าจะสั่งว่าอย่างไรพระศาสดาที่มนุษย์เป็น ทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งได้ท้าให้พิสูจน์เป็นได้เป็นคนที่เป็นศาสดา แต่เป็นคําสอนที่ยืนยันว่าดีถูก สะดวกในการบริหารสะดวกนะเพราะศาสนาเทวนิยมจึงมีหรือได้ยึดอํานาจใหญ่ได้ก็สั่งได้เลยสั่งได้ก็ ทรงของพระพุทธเจ้านั้นประชาธิปไตยอิสระเสรีภาพไม่บังคับใช้อนุสาสนีอธิบายไปยืนยันไปใครเอาเอาเห็นด้วยแต่ไม่เอาก็ยังก่อนไม่เชื่ออ่า ก็เนี้ยเข้าใจเหตุผลทุกอย่างผู้ที่มาเป็นเอ่อผู้ผู้นั้น เชื่อตามง่ายๆเนี่ยมันมีเยอะอ่าก็ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะไม่เชื่อง่ายมีเหตุผลนี่ไม่เชื่อง่ายอ่ะศาสนาพวกนี้มีเหตุผลไม่เชื่อง่ายไม่ๆอีกทั้ง 6 7 สอนกาลามสูตรไว้อย่าไปเชื่อง่ายแม้แต่ครูของ ให้ไตร่ตรองให้เลือกเฟ้นให้ตัดสินเอาจริงๆเลยเรียกว่าอิสระเสรีภาพสุดยอดนะ จิตวิญญาณมีปัญญาเข้ากระแสจิตวิญญาณที่เข้ากระแสก็คือจิตวิญญาณเห็นแล้วทิศทาง มันเป็นสามัญน่ะเป็นธรรมดาคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นน่ะโลกีย์เป็นแบบนั้นแต่ของพระเจ้าท่านบอกเพราะฉะนั้นจิตเรายังมาสุข สมใจในอัตตาในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ได้สมความต้องการของตนเองก็สุขนะก็บงเวียนอยู่ ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าๆบ่อยว่าในคนนี่เป็นหลอดทดลองแล้วก็มีจิตวิญญาณอยู่ในคนตัวจิตวิญญาณ สิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์เป็นซับเจกต์ที่จะพิสูจน์คุณจะต้องจัดการๆอย่างไรมันๆมันมีพลังบ้าๆบอและบังคับ เป็นตัวบงการทํางานอยู่ในจิตวิญญาณของเราเป็นใหญ่ๆคนจะคอร์รัปชั่นคนจะโกงเค้า ครอบจักรเค้าก็โกงโกงเค้ารู้นะรู้ว่ามันชั่วนะใช่มั้ยโจรก็ไม่อยาก ไม่ใช่ไปหยิบเอามาจากนู่นน่ะเปิดเซฟเอามาใช้เป็นคร่าวๆกิเลสนี่มันเปิดเอาจากตู้กับข้าวไปเติอเอาจากตู้เสื้อผ้า มันยังนอนอยู่แล้วนอนไม่นอนเปล่านอนเหมือนอาสวะอาสวะนี่เค้าเรียกว่าน้ำหมักดองน้ำมีตัวเชื้อมียีสต์มีตัวเชื้อแล้วมันแตกตัวอยู่ด้วยไอ้ ทำทั่วเป็นนอนนิ่งเหมือนกับเราไม่มีมันอิ่มมันพักว่าพระเนี่ยค้นคว้าศึกษากว่า ก็ชิดชาตเองเหรอพุทธเจ้าถึงค้นพบอันเนี้ยคนพบสัจธรรมอันนี้กว่าจะ 27 พระองค์องค์ผิดถูกนิดหน่อย 52000 2027 พระองค์พระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์องค์พระพุทธสมณะโคดมเนี่ยพระ คนนี่มันจะเกิดมาทําไมเกิดมาเสพความสุขในลาภสุขในยศสุขในการสรรเสริญสุขได้เสพกามได้ ปฏิบัติบรรพตนเองภิกษุอย่างนี้มาอาตมาก็ปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ๆตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าพา มียอดก็มีนะราดนะยศก็มีนะอ่ายศก็มีนะ นะสัมปัดน่ะเขาจะมักจะเอาของแม้รูปดีๆเสียงดีๆรสอร่อยๆมากประเคนอยู่เรื่อย เป็นคนเหมือนคนอื่นคนๆนี่แล้วมันจะเป็นยังไงท้าทายมาพิสูจน์อ่าโอ้ผิด 512,027 พระองค์อ่านี่ นี่ปิ๊นเนี่ยตัดมาให้เลยเนี่ยหน่วยเนี่ยหน่วยๆๆเอ่อห้องสมุดนี่เค้ามีข้อมูลเยอะของอ่ารวมแล้ว 512,027 มันมีเลข 0 เลขเลอยเล 0 อยู่เลข 512,027 พระ มาสยานใน 2027 พระองค์นี่เป็นจํานวนพระพุทธเจ้าที่อาตมากล่าวถึงนะพระ บางของพระองค์บางพระองค์เนี่ยมีอายุยืนมาเป็นล้านๆปีกว่า อายรัศนา 5,000 ปีพอจบจาก 5,000 ปีก็ว่างว่างจากศาสนาพุทธไปอีกนานพุทธันดรเรียกว่าพุทธันดรเรียกว่าช่วงระยะที่ไม่ ฟังก็ไม่ต้องมีศาสนาอะไรก็ได้มีบุญหรือคนดีอยู่มันไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่ต้องมีใครมาสอนนานพอสมควรเสร็จแล้วกิเลสก็มาๆเรื่อยๆ พระพุทธพระศาสดาของพระเจ้าก็เกิดเป็นคนได้ก็ถึงมาพลพบว่าไอ้สุดยอดของการเกิดเป็นคนนี่มันคืออะไรท่านก็ตรัสรู้ตรัสรู้แล้วก็มาสอนไว้แล้วให้คนอื่น น่ะลบลูอาตมาก็ไม่ทําอะไรหรอกเพราะอาตมาทําเค้าๆใคร คุณคิดว่าอยากจะให้คนได้มั้ยอาตมาอยากจะๆที่อาตมาเนี่ยมันจะเป็นแล้วมันเป็นคน มันไม่ต้องไปแย่งไปชิงมันต้องไปกินมากใช้มากมันไม่ต้อง <Yeah. S 1> เรื่องเวลาวันนึงก็กินแค่นั้นใช้แค่นั้นไม่ แต่ระวันเราก็ทํางานมาตีราคาเป็นมูลค่าแล้ว 11,000 บาทก็ตามถ้าวันนึง 11,000 บาทนี่เงินเดือนนะ 10,000 บาทมันไม่ต้อง 11,000 บาทมันจะ วันนึงแค่ 1,000 บาท 200 เงี้ยหรือ 800 นะวันนึง 1,000 แล้วก็สร้าง นี่เป็นความรู้จะเป็นความรู้สูงส่งและความรู้ที่เป็นเป็นเป็นประโยชน์แก่ เป็นผลประโยชน์แบบโลกๆขนาดใดลาบได้ยศได้เงินได้ทองได้เข้าได้ของได้มากได้ ราคามันน่าจะต่ําไปตีเป็นมูลค่าคิดเป็นมูลค่ามันต่างๆนานาสอนนี่เค้าสอนให้ นะไปสร้างให้ได้สร้างเอาเค้าว่าไปสร้างให้นะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะเค้าว่าๆสูงๆเอ่ออะไรเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยมันซ้อนๆอยู่ และมหาวิทยาลัยมีทั่วโลกนี่มันสร้างคนไปเพื่อที่ มีทุนส่งเสียให้เรียนส่งเสียให้เรียนจะเรียนปริญญาตรีแบบโลกโลกจะเรียนปริญญาโทแบบโลกโลกปริญญาเอกแบบโลกโลกเราก็ส่งเสียคนที่เหมาะสมจะเรียนปริญญา ที่พูดนี้พูดจริงแล้วก็มีวิธีคัดเลือกวิธีที่จะดูคนการเรียนของเรานี่ส่งเสริมให้เรียนเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่อที่จะให้เค้า พระองค์จริงต้องคัดเลือกคนที่ว่าถ้าเรียนแล้วก็มาเอามาทํางานด้านนี้มาทํา ชกมวยเก่งมะตะบันหน้าเค้าแตกแมะหมัดหนักไปเร็วด้วยเนอะแมะหลอกล่อเก่งปั๊บแตกหักชักนี่ตายอืมไปเรียนมาทําไมเรียนวิธีผสมเหล้าได้เก่งอื้อหือ ยายพูดต่อไปเลยมันๆเราก็มีมีความเข้าใจเราก็เลือก แต่ตอนนี้อาตมายังไม่เปิดเพราะว่าเรายังเล็กเราก็ยังไม่มีทั้งทุนรอเวลาทํางานทุกวัน เอาความรู้กับเขาเหมือนกันไปฟังเลคเชอร์บ้างอ่าแล้วเสาร์อาทิตย์ไปหรือว่าๆไปทีอะไรกับมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยมีความรู้ ถ้าคุณไม่รู้จริงไม่ทําจริงคุณไม่รู้จริงแล้วเป็นนักเรียนที่ไม่ได้ประจําไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยๆเพราะฉะนั้นเค้าก็รู้จักหน้าที่ การกระเปรียญนก็ส่งสําเร็จเรียนอ่าและทางสังคมศาสตร์ถ้าเรามีใบพวกนี้มันก็บางคน ในสังคมของเราทุกวันนี้ของชาวโซรนี่จะมีอะไรอะไรที่พัฒนาอ่ามีพัฒนาการอ่าต่ออย่างนั้นเชื่อมโยงนี้มีโน่นมีนี่กันไปขึ้นอีกเยอะนะแล้วก็มี ในชุมชนเราเนี่ยชุมชนดีชุมชนทุกๆแห่งและปฐมอโศกศรีสาอโศกราชธานีอโศกอะไรเงี้ยเป็นชุมๆที่รวมๆกันอยู่ มันจะมีพลังของมันพลังที่มันแสดงพลังของมัน มันก็มีจําเป็นทางภาษาทางฟิสิกส์มันก็มีสภาพของๆเช่น เป็นสัตว์สัตว์ถ้าต่อไปมีปลาโอ้มีเสือร้ายตัวปลาตอนนี้ที่ประทุมโศกมีปลาเอ้ยโอ้ดี รู้สึกว่ามันเอออยู่สัมพันธ์อยู่กับปลานะปลามันทําไมมันเชื่องปลาเออดินน้ําเลี้ยงนี่มันก็มามาแล้วไอ้ดกตัว ไอ้ดุกที่นี่มันมีคนมาขโมยนะแอบๆทําเป็นไม่เอามาให้แล้วเอามันจะง่ายใช่มันเชื่องมันก็จับง่ายแล้วก็จับตัว ที่นี่มีงูฉันเจอโซนนี้งูเยอะนะแต่งูพิษเนี่ยเราพยายามจับออกเชิญมันออกไปไว้ที่ อ่าที่นี่ยังมีน้อยที่นี่ยังนกๆนี้มันเชื่องเป็นที่ เออมีปลามีนกมีสัตว์นะแต่สัตว์ที่น่ากลัวอย่างงูก็แล้ว มันก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กแห่งวัฒนธรรมอาตมาอุตส่าห์ยกตัวอย่างว่าถ้าต่อไปมีเสือเชื่องๆโอ้โหสัก 10 นะเอาเธอก็พูดไปงั้นน่ะมันก็ยังไม่ มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีนะนั่นก็มีศีลสามัชชามีทิฏฐิสามัชชา 6 อย่างเนี่ยกายกรรมเป็นสารณิยะวจีกรรม พฤติกรรมระบบสาธารณปกีโอ้ที่นี่มีเงินจับกันตัวเหรอทํางานฟรีหรอจินใจร่วมกันเหรอแล้วมันมันกัดกันตายเหรอเออใครเอาเงินมาก็มารวมกลางกลางแล้วมันไม่แย่งกันตาย ใช้รวมกันเงินกองกลางไม่แย่งกันขนาดครอบครัวมีพ่อไม่รู้มาอยู่ สิ่งเหล่านี้เกิดแล้วเป็นแล้วมีสาธารณโภคีมีศีลสามัญญตามีเออมีหลักเจนองค์รวมมีศีล 5 เป็น มีทิศทางทิฐิสามัญญตามีเป้าหมายหลักเราจะต้องไปโลกุตระมีทิฐิตรงกันไปโลกุตระโลกุตระคือ อ่าพอดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์เกาหลีดูโทรทัศน์จบก็มานั่งธรรมะตอนเย็นๆอบรมมี สนามแม่เหล็กแห่งวัฒนธรรมอย่างนี้มีฤทธิ์ๆเข้ามาก็ถูกฟอกตัวสนามแม่เหล็กนี้ โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวก็จะฟอกมาให้เรากินมังซอวิรัตเดี๋ยวก็จะบอกฟอกให้เราต้องมา เราพยายามจะให้เป็นเหมือนกับสนามแม่เหล็กนี้แหละจะให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ง่ายก็ช่วยๆนับวันที่ เพียงแต่ว่าเห็นว่าคนอย่างนี้สังคมอย่างนี้น่ะมีพฤติกรรมอย่างนี้น่ะมีจิต น้าไม่ๆมาเอาได้เอาจริงๆเลยถ้ามายินดีจะเอาก็ไม่ว่ามากขึ้นมากมากขึ้นๆทุกวันนี้อัตราการก้าวหน้า ยังอะไรอ้อมีคนเตือนให้ดื่มขอบคุณอาตมามั่นใจ ที่จริงนะอาตมาได้โมโตอะไรอันนึงขึ้นมา คนเก่งที่ดีแต่ฝ่ายจนคือคนช่วยสังคมนะเอาไปคิดนะๆอาตมาพยายามกําหนดลงไปเลยว่า แต่เงื่อนไขหลักยังฝ่ายรวยเอ่อยังอยากรวยยังฝ่ายรวยอยู่เนี่ยอาตมา ถึงจะรวยใช่มั้ยถ้าไม่สะสมสะพัดออกมันจะๆแล้วยิ่งไม่เอาเพราะฉะนั้นคนที่ๆเนี่ยคือคนเค้าทําให้สังคมไม่เดือด อ่ะคนเก่งที่ดีนะแต่ฝ่ายเออเราเอง เขาจะเก่งด้านไหนเขาจะเก่งอย่างไรคนนี้เก่งทั้งเอ่อการค้าคนนี้เก่งทางเกษตรกรรมคนนี้เก่งทางนิติศาสตร์คนนี้ ไปดูถูกดูแคลนกันไม่ได้หรอกเออดีดีนี่เลยดีถึงขั้นลงกุฏระนั่นแหละดีทั้งลงกิยะก็ไม่หวากกันๆก็แล้วกันเพราะคนๆเลยนะใน มันมุ่งจนยากจนไม่ใช่ยากจนนะอยากจนเลยเออมันจนจนบ้านช่องเรือนเป็นของตัวสบายบ้านมีเยอะที่จะให้อยู่สาธารณโภคียิ่งไม่ มันเป 틀อ เนาะยิ่งไม่มีทรัพย์ยิ่งเยอะโอ้มันมันมันมันย้อนแย้งมันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรอ่ะกลับไปกลับมาๆแต่ๆนะ มีกินมีอยู่มีกินมีอยู่มีอาศัยใช้สอยมีไปมีมามีเป็นไปได้ดีตามระบบ หมายกรรมมาให้คะแนนแต่ยังไม่มีใครไปเป็นผู้ให้คะแนนนะไม่มีอาจารย์ตัดสินอ้าวมาถึงจะมาอ่า บุพเพนิวาสานุสติญาณในยามต้นระลึกไปชาตินั้นชาตินี้ชาตินี้ชาตินั้นอ้อเกิดมาเป็นนั่นเกิดมาเป็นนี่เกิดมาจนกระทั่งเกิดมาเป็นผู้ปฏิบัติ ค้นคว้าต่อค้นคว้าต่อตอต่อสร้างสะสมๆๆๆผ่านยุคกาลผ่านโลกผ่านๆเกิดแล้วเกิดดีเกิดแล้วเกิดอิวเกิดจน เป็นอาชีพโน้นอาชีพเนี่ยอาชีพเนี่ยอาชีพนั่นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นมาคิดดูซิรู้ใน ก็ทบทวนเกิดฉากโฉนโอ้โหเสร็จดูโลกดูยามที่ 2 ก็ๆดูๆหมดเสร็จแล้วยาม ตัดสินตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าได้พลบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้หรือยังก็ตรวจสอบ แน่นอนซื่อสัตย์สัจจฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นก็จะตรวจสอบภูมิมธรรมของตนเองเออสมควร แล้วเรามีภูมิเป็นถึงขั้นพระพุทธเจ้าได้ยังก็ได้แล้วคนอื่นมีมั้ยคนที่จะเกิด ในโลกใดโลก 1 โลกลูกใดลูก 1 มีองค์เดียวเท่านั้นนานๆจะมีสักที สรุปรวมทุกอย่างความจริงทั้งนั้นทดสอบทั้งของจริงที่ผ่านมาแต่ละชาติแต่ละ ล้านๆๆๆไม่กระใบหนูเอ่อหะดีษของบุรเจ้าเนี่ยมัน ละได้ตรวจสอบพัฒนาตนเองมาเป็นคนอย่างไรคนเออสมเหมาะ ให้คะแนนตนเองได้ว่าสอบได้แล้วเป็นพระ 15 ค่ํา 6 ตอนนั้นนะทีนี้คนไม่รู้เรียนมาเรียนธรรมะ เสร็จแล้วก็เข้าฌานแบบฤาษีอย่างนี้อย่าง อะไรเราเกิดมาอะไรเราระลึกได้ระลึกข้ามชาติไม่ได้ก็ระลึกๆตรวจสอบเร จิตเจตสิกของเรามันเกิดกิเลสอย่างไรได้ยันว่าคนที่มาเรียนธรรมะของ เรื่องวิชาก้านี่มีเหตุผลอาตมาก็บอกแล้วว่าฌาน 15 วิชา 8 แต่ 1 วิชาขอที่ฌาน 1 วิชาขอ วิชชาคือปัญญาขอแซมตรงนี้เพื่อให้เราเห็นว่าวิชชาหรือปัญญาเนี่ยมันคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือวิชาหรือมีความเฉลียว ในชาญที่ไม่มีปัญญาไม่ถือว่าชาญในฌานที่ไม่มีปัญญาไม่ถือว่าฌานอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ซึ่งอาตมาก็เอาๆนะเพราะงั้นในความ ฌานที่มันมันอยู่นอกจิตแต่ถ้าฌานชอก็เชอแล้วนี่มันอยู่ในจิตนะฌาน คุณจะไปหมกไปหมักไว้ใต้อนุสัยก็ตามแต่ตัวนั้นน่ะคุณอ่านจิตของคุณทั้งหมดแล้วนี่ไม่มีนิพพานนั่น จิตได้ละลดนิพพานละลดกิเลสได้สูงขึ้นสูงขึ้นตามระดับเป็นสมาธิตั้งๆเป็น ฌานคืออะไรฌานคือการเราก็ได้ดีหน่อยหนึ่งเพื่อเพ่งรู้กิเลสๆๆยังไม่มาก ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากคือมีความไม่ยากไม่ลําบากในฌานทั้ง 4 ในฌานเนี่ยพอได้ แต่ฌาน 1 มันก็ยังต้องคุมเข่งอาตมามาวิตกวิจารณ์นี่ต้องระมัด เพราะฉะนั้นเมื่อวิตกพิจารณาไม่มีมันก็จะมีแต่ตัวสะอาดบริสุทธิ์อันนี้ก็ต้องเรียนรู้ของพระพุทธเจ้าท่านสะอาด เมื่อเราเรียนรู้อาการพวกนี้อาการปิติเป็นอย่างไรมันยังเป็นอุปกิเลสสุขแล้วยังติดสุขสุขสงบด้วยนะสุขในชานี้ นะต้องเข้าใจโลจีกะโลกุตระอันนี้ให้ชัดเพราะฉุกในฌานสุขที่ว่านี่คือสุขมันปราศจากกิเลส ฟังได้ต้องมีการสร้างจิตให้รู้จักสิ่งที่จรมากับโลกจะคิดกับเขาจะ เถอยดาแรงชัดดาสุภาพว่าเค้าด่าจัดด่าแรงด่าหยาบด่าสุภาพด่ายังแหมนิ่มนวลด่ายังซ้อน อ๋อจิตเราก็สงบแม่เค้าจะด่าแม่เค้าจะเอากามมาล่อเอาราคะมาล้านไร่นะ 5 ล้านไม่รู้มัน เราตื่นเต้นเราหวั่นแวบเราโลภเราราคะเราๆนี่เรียกว่า Vocês turned on paths, hitting on the other who turned in a light. You know what to do. You know what to do, but you know what a Mine You know Phillip for yourself, you know what to do. You know what to do here, what to keep you from now, you know what to do. That's why the We are thinking. All the uncovered angels And what the otherifie they know, think about that. Because one'sai apa, well the love we really really think. The theory we just have to add close to there one. You know, we don't have the complex. อ่าวิสังขารมีการสังขารอย่างยิ่งสังขารอย่างเป็นประโยชน์อย่างบ้างคือความจริงก็ แต่จารณามี 15 <ใช>เท่านั้นแหละอาจารย์อาตมาขอเชื่อมตรงนี้ไว้ว่าขอเรียกอาศัยอธิบายความๆของพุทธเจ้านั้นแตเทเทเทแตเทเทแตเท 8 ประการเอ้าใคร วิชา 8 ใครได้ได้ไม่มีรางวัลนอกจากวิชา 1 วิชาวิปัสสนาญาณ 2 มิจฉริตภาษาอีสาน 2 เอาจตุ 1 วิปัสสนาญาณ 2 มโนยิทธิ 3 อิทธิวิธี 4 สอดทิพย์ 5 เจโตปริญาณ 6 อยู่แห่ไล่ไม่ไม่รับรับได้อ่าอุปเพดีวาสนุญาณ 7 จตุตูปราโยตญาณ 8 อ่าสวัสขยญาณเฮ้ยยังมา ไม่ค่อยเข้าท่าเลยรายแค่นี้ตัวหนังสือภาษาแค่นี้ยังไม่ได้ยิ่งจะไปเอาสภาวะด้วยยิ่งใช่ว่ามีวิชชาก็ได้ไม่มีวิชชาก็ได้นั่น เอ่อโสทิพก็ไปเป็นหูทิพย์ประหลาดประหลาดเจโตปริญาณที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนี้ท่านอัตปัญญามิหิรยามิชะชิคุชามิท่านเกลียดท่านเบื่อท่านระอาไอ้สิ่งพวก พระพุทธเจ้าทรงยืนยันใช่ไอ้ยังไงไม่ต้องมีก็ได้หรือ แต่ถ้าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ต้องมีทุกคน เพราะจะต้องมีวิชาหรือมีความรู้อันนี้มาตรวจสอบท่านทุกคนถ้าไม่มีคุณ จะซื้อมาจากไหนมันต้องเป็นญาณของเราแล้วได้ญาณไดได 8 ได้ญาณ 16 ได้ การสอนผิดสอนเพี้ยนพวกนี้มันปนเปกันใช่วิชาแบบที่มันเป็นโลกีย์แบบอิทธิปาฏิหารโลกีย์แบบแล้วรู้นิโรธ นี่คือสอนกันมาผิดนานแล้วเพราะงั้นในวันนี้ก็ขอประกาศขอยืนยันไว้ให้ชัดเจนว่า อาตมาใช้ภาษาทุกรู้จักมันมีความหมายว่านี้ใช้ว่ารู้จักรู้แจ้งรู้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วไม่ เพราะนั้นเมื่อมันมีตัวถูกรู้มันก็ต้องชัดเจนรู้จักรู้แจ้งก็คือรู้ อาตมาทํางานศาสนามา 30 กว่าปีแล้วนี่พวกเรามาปฏิบัติตามๆญาณที่ว่าที่อาตมาพยายามอธิบายญาณวิชา มโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์หรือมีกําลังในการประสบผลสําเร็จทางใจมโนมยะมยะมะยังเนี่ยแปลว่าผลสําเร็จการ ละกิเลสจากอบายมุขได้ละกิเลสๆอิทธิวิธีก็คือ เป็นก็เป็นได้ก็เป็นได้แต่ไม่ใช่ไปเหาะเหินเดินน้ําดําดินตามภาษารูปธรรมนี่อิทธิวิธีของพุทธมันว่างเบาธรรมดาธรรมดาโลกๆอ่ะ โรคธรรมดาแต่นี่โอ้โหยเรื่องนี้มนุษย์ธรรมดามันเดินไม่ได้นะนี่หมดปะได้ปะหลาดโอ้โหมันเดินเออของโลกกับจะดําดินได้จริงๆเป็นอิทธิวิธีดําดินแบบลูกโลกไม่ กิเลสกองทะภูเขาอยู่ในสังคมทุกวันนี้กิเลสไม่ใช่ภูเขานะมันยิ่งกว่าภูเขาอีกเนาะเราเดินทะลุๆถามยิงเดินในประวัติพระพุทธเจ้า 45 พรรษามี นี่กองกิเลสเท่ากับภูเขาเท่ากับแผงทั้งแข็งทั้งใหญ่โอ้แต่เราก็เดินๆแม้ที่สุดว่าไอ้นีราโอ้โหมัน กิเลสแห่งราภกิเลสแห่งยศกิเลสแห่งสรรเสริญเป็นอํานาจใหญ่เลยนะมาใหญ่แต่เราก็สามารถสัมผัสเอื้อมไปสัมผัสรูปครรมได้มันจะมีฤทธิ์เท่าพระอาทิตย์ก็ตามมีฤทธิ์เท่าพระจันทร์ก็ตามสามารถรูปครรมได้ โดยมันไม่ทําลายเราคุณเอามือไปสัมผัสพระอาทิตย์จริงดูสิจะเหลือมั้ยร้อนแค่นั้นเองเหรอเอา น่ะเป็นความหมายที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่อธิบายได้แล้วก็พิสูจน์ได้ถ้าเอามือเนี่ยท้าทายให้ หรือแม้แต่เสด็จไปในเมืองพรหมซึ่งเป็นนามธรรมอย่างยิ่งพรหมคือ นี่คือๆปาฏิหาริย์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สอนไว้เป็นเอหิปสิโกท้าทายให้ภิกษุได้เป็นรู้พอรู้ เอ่อเจโตปริยานอะไรก็ตามใจแล้วเชี่ยวชาญไปแขนงไหนเด่นก็เป็นได้นะไม่ อิโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอะไรก็แล้วแต่บางเรื่องบางบางเหตุปัจจัยเราได้ถึงอลัตผลคนเนี่ยก็เลือก แต่งหน้ามั้ยคนผู้หญิงคนก็ไม่ติดหน้าแต่งหน้านะเสื้อผ้านะอะไรอีกนะขี้เกียจน่ะมันทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละที่แล้วก็จริงนะแล้วก็มาเรียนรู้ไอ้เรื่องขี้เกียจเนี่ยมันไม่ <c oughs> แล้วโลคิดเกียจหรือเปล่าตอนนี้นะไม่เคยถามตัวเองเลยเออแต่อาตมาก็อาตมาไม่ได้ขี้เกียจนะก็ขยันทําไม่ได้หยุดเห็นใครเนี่ยเห็นมัน คนนี้ขยันขยันมากขยันนอเขาจะเข้าใจอ่ะจะรู้ได้อ่าอย่างนี้ก็อ่าเราไม่ มันมีงานก็มีๆแต่เราก็จะไม่ทําอ่ะเอออันนี้เราไม่มีแล้ว ดูก็ไม่ดูดไม่ให้แกเราก็ไม่เอาไปจะไปทําร้ายทําลายเค้าแล้วผลักก็ไม่ผลักอ้าวมีก็มีสัมพันธ์กันก็ได้ถ้ามันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราก็เอาเราก็ไม่ต้องไปสัมพันธ์สัมผัสอะไรไม่ต้องไปวุ่นวายมากมายเสียเวลานะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็รับมาร่วมปรุงแต่งด้วยก็ยังได้แต่ไม่เกิดกิเลสอ่าเอาล่ะอาตมาเทศน์ไปก็ให้ แล้วก็มีอะไรอจินไตยบางอย่างก็เราให้ฟังแลององององององแล 6 องค์ สมาคม 19 สมาสิกขาตอนนี้ก็จะมีสมาคมนะธรรมดาสมาคมชายมัน 7 ต่อ 7 องค์กรแต่ต้ององ 6 มีมาก็จะต้องประชุม 7 องค์ก่อนแล้วก็ต้องส่งคนไม่ครบองค์ประชุม 8 นะ 7 ครึ่งก็ไม่เอานะเพราะคร 8 คนขึ้นไปถ้ามี 15 อยู่ อ้าวเอาล่ะขอหยุดแล้วๆอ้าวเอวังไอ้เรื่องความเจริญมนุษย์เนี่ยพระแต่พวกเราก็ยังเห็นกันเพลินๆ หลักเกมนี้พวกเราก็คงจะได้ยินได้ฟังนะได้คือพบผู้รู้จริงๆ ก็เป็นพิธีการของพวกเรานะเป็นพิธีกันย่อยๆเป็นยัญญพิธีซึ่งเรารู้กันว่าเรากําหนดกันอย่างนี้นะแล้วมี กำลังทั้งศรัทธากําลังทั้งปัญญากําลังทั้งวิริยะมันเห็นกําลังนะเห็นกําลังเห็นอํานาจของความเจริญมันเจริญว่าเรา ผู้ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดผลน่ะเกิดอินทรีย์ 5 มีสติตั้งใจตั้งใจตั้งแต่รู้ตัวรู้พยายามระลึกรู้เหลือว่าเรากําลังจะเป็น เอ่อเป็นฐานรองรับคืออัตถิที่อาตมาเคยใช้คําว่าสมาธิคืออัตถิๆแล้วก็มี ประกอบกันแล้วมันก็แข็งแรงเป็นสมาทิน 4 เป็นอํานาจของความตั้งมั่นความตั้งๆเป็นความเข้าใจอย่าง แล้วก็เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติเสริมซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็ ผู้ที่เข้าใจผู้ที่เห็นจริงว่าเออการฟังธรรมนี่เจริญได้ก็ขนขวายในๆเห็นจริงตัว ถ้าร่มไม่เจริญขึ้นเราก็เจริญฟังธรรมๆผู้นั้นเกิดปัญญาของตนเองนะเชื่อ 2 ไม่โง่ เราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรน่ะไม่เอาใจใส่เพลินๆทั้งมันไม่รับเต็มที่มันก็ไม่ได้ ก็ได้ก็ได้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็ได้อย่างเพื่อที่จะจับผิดจะต่อสู้ก็ได้ ฟังพยายามหาข้อๆให้ได้จริงๆแล้วล่ะก็ๆเลยแน่แน่ใจว่าตนเองพยายามแม้ ผู้ฟังธรรมนี้ได้รับการเจริญอาตมาเนี่ยจะว่าอาตมาพูดเพิ่มเติมขึ้นแม้จะเคยพูดมาบ้างก็ๆว่าๆนะมันเจริญอย่างไรจริงๆจะๆเลยว่าใคร ในหลายสูตรของพระพุทธเจ้าว่าต้องฟังธรรมแม้ที่ว่าฟังธรรมนี่พาเจริญฟัง ปฏิบัติก็ต้องรู้มาก่อนต้องฟังมาก่อนก็ต้องรู้จริงๆแล้วไม่มีทางที่จะ คิดยังไงก็คิดได้อย่างเก่งก็ของเก่าของตนเองจะเป็น จะได้เพิ่มจากผู้อื่นจักได้เพิ่มจากภูมิใหม่ๆแล้วจะ แม้ผู้ที่ท่านเป็นปัจเจกท่านก็จะ มันก็เพิ่มใช่มั้ยมันเป็นความผิดตรงไหนเนี่ยพูดที่ๆด้วยมีโอกาสมีวาระ รับเพิ่มมาแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพิ่มมาแล้วเราๆคนไม่รับมาปั๊บก็จะเชื่อปุ๊บให้โง่ให้เซ่อให้ซึมขนาดไหน วินิจฉัยมากก็คือว่าเราเองเราเอามาเทียบกับที่เราเป็นเรามีเรารู้มันจะๆในคนนะเพราะฉะนั้นคนที่ดูถูกดู ผู้ที่ไม่แล้วเป็นหลงอย่างอื่นธรรมเนี่ยไม่ฟังธรรมเพราะเป็นหลงอย่างอื่นนอกจากไม่เชื่อว่าฟังธรรม เห็นว่าการฟังธรรมนี่สู้ทํางานไม่ได้นะ นะการงานมันจะเร่งร้อนมันจนกระทั่งไม่ไม่ได้หรอกต้องทํางานถ้าขืนมาฟังธรรมละงานไม่ทันน่ะเนี่ยว่าเอ๊ะ อาตมาขอย้ำอีกทีขอยืนยันอีกทีว่าเจริญได้ในการฟังธรรมนะการทํางานนั้นเป็นตัว แล้วคนที่ไม่ฟังธรรมเนี่ยอำนาจหรืออินทรีย์อินทรีย์กับ ไม่มีปริญญาเสริมหนุนอ่าไม่ปริไม่มีปริญญาเสริมหนุนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอุปการะกันๆเลยรูป น่ะเป็นญัญยาปิธีการฟังธรรมนี่เป็นญัญยาปิธีเป็นวิธีการวิธีการอันสําคัญของ อะไรก็จะแยกแยกวิเคราะห์ให้ละเอียดยังไงไปก็มีอยู่ 2 หลักใหญ่ๆเท่านั้น 2 แบบ 2 วิธีใหญ่ ตั้งแต่โลกสมัยไหนไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันเรียกๆแสดงธรรมก็ว่าปาฐกถาก็ว่าบรรยายก็ 2 ลักษณะใหญ่นี่เท่านั้นทุกวัน ยิ่งพูดกันมากแล้วก็เอาแต่รู้ๆๆไม่ปฏิบัติด้วยซ้ําแล้วก็ อ่านมันก็ครับมาจากตัวบัญญัติภาษาความหมายเหมือนกันรับรู้มา การเขียนเพื่อให้อ่านเขียนเพื่อให้อ่านก็เลยทํากันในเรื่องของแค่แสดงออก เนี่ยเลยกลายเป็นนิยมฟังธรรมหรือนิยมรู้กัน หากินเอามาอวดอ้างเอามาโชว์ว่าฉันอะไรอะไรพิสูจน์กัน ไม่ได้ดูถูกการฟังไม่ได้ดูถูกการรู้แต่ในตัวพวกเราบางคนนี่แหละยังเข้าใจไม่เนี่ยประมาทการฟังธรรมประมาทๆไม่ใช่อ่ะคุณฟัง คนก็จะมั่นใจเพราะแม้แต่งานการที่ทําเนี่ยงานการที่ทําอาตมาไม่ได้ดูๆนานามันจะๆเป็นการงานๆนานา เอ่อโดยเฉพาะกับคนด้วยกันเนี่ยจะเกิดโกรธเกิดโลกเกิดหลง แล้วจะได้ปฏิบัติได้เอามากระทบสัมผัสได้มีคนยิ่งต่างจริตยิ่งคนละขั้วเข้าใจมันยิ่งกระทบๆนานา โอ้เดี๋ยวเรานี่ไม่อนุโลมเลยนะนี่ไม่ปฏิโลมไม่อนุโลมไม่ยอมยืดยอมหย่อนยอมอะไรกับเค้า ถ้าเรายอมจริงๆแล้วนะแม้เราจะถูกแล้วก็ยอมซะได้และใจเราก็เย็นได้นี่เป็นเป็นก่อนอื่นเลย แต่ถ้ามันผิดด้วยมันก็จะได้สวยด้วยกันก็ๆคนอื่นก็จะสบายใจขึ้น แม่สิ่งนั้นจะผิดอ้าวทีนี้เมื่อคุณยึดผิดเนี่ยเราสมมุติว่าฝ่ายที่ชนะๆแล้วเรา แล้วก็เรายอมแพ้นั่นน่ะเขากลับถูกไอ้นี้สิมัน นึกจะยอมอย่างจำใจยังมีอัตตาอยู่กูยอมยังยอมไปตามลำลองแค่นั้นน่ะนะจิตใจจริงๆลึกๆไม่ยอมกูยังไม่ยอมคนนั้นก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละไม่ไม่โล่งหรอก หมดดีหมดชั่วๆเลยแล้วจะได้ดีมากก็เป็นไปตามนั้นน่ะจะได้ดีๆอ่าหรือว่าไม่ๆก็ดี และพวกเราก็ไม่ใช่คนโง่จนเกินการแม้จะยอมอะไรกันเลยเสียอย่างมาก เพราะในหมู่พวกเราเนี่ยกิเลสอัตตามานะที่ตรงตัวเรายังไม่ยอมจริงๆนี่นะแหมมันไม่รู้จะทํายังไงยังเห็นๆนะเห็นใจกิเลสเนี่ยๆเลย นะเห็นเลยๆๆๆไอ้เราเองก็ทําของเรามาเราก็รู้แล้วว่าเรา <coach Savior> อ๋อเมื่อยผู้ละเมื่อยจริงๆเอามันไว้ทําไมก็เรียนเรียนมาก็รู้ดูเมื่อไหร่ก็คือกูอยู่นั่นทั้งคนคนไหนก็ทะเลาะอยู่ไม่ยอม งวยจริงๆเลยเห็นจริงๆเลยบอกไอ้กิเลสโง่จริงๆเลยนะมันโง่สะบัดเลยโอ้โหทําไมมันทุกตัวเองก็ทุกๆแต่ทุกข์แล้ว เอาเหมือนไงอ่ะมันเหยาะกับมีย่องเปี่ยนเปยย่องเปี่ยนเอาเหมือนเงี้ยเอาเหมือนเนี่ยโอ้โหกิเลสเนี่ยมันจะพูด จะรู้ว่ามันโง่ดักด่านจริงๆน่ะมันยอมมันไปยึดไว้ทําไมมันจะจนกว่า เออความหมายอย่างนี้นะเอ้ยเราเองเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงใครฉลาด เมื่อการฟังธรรมนี่ก็พยายามสื่อและการฟังธรรมขอยืนยันว่าบรรลุธรรมฟังธรรมนี่บรรลุธรรมได้ๆด้วยมาๆผู้แสดงธรรมๆเราก็บรรลุแม้ ง่ายไปพูดที่มุทธุภูเตหัวอ่อนแล้วฟังนิดเดียวท่านบอกนิดเดียวก็เข้าใจเข้าใจมีง่ายเข้าใจได้แล้วก็วางได้ทันทีเพราะหัวอ่อนแต่ไอ้หัวแข็งเนี่ยมัน มันก็อยู่งั้นแต่ถ้าบอกว่าเราเฉลียวฉลาดด้วย ทุกคนอยากจะเทศน์แล้วก็สูงขึ้นอยากจะเทศน์ให้สูงขึ้นสูงขึ้นทุกจริงน่ะคน มันก็ตามไม่ออกไม่ได้เหมือนกันสูงขนาดนี้แล้วตอนนี้จะเอาสูงไปแล้วก็ไม่มีตัวต่อเชื่อมนี่ไม่มีสันตติไม่มีสันตติมันขาดช่วงไป การฟังธรรมที่ขาดๆวินๆมันจึงไม่ค่อยมีช่วงพวกนี้ต่อนะการฟังธรรมขาดๆวิ่งเอาสูงโดย พยายามทําเสมอเมื่อมีโอกาสตรงนั้นตรงนี้ก็พยายามที่จะต่อไปค่อย 1, 1 แล้วก็ไปเทศน์ 5 ให้มันต่อเนื่องไว้เสมอส่วนคนฟังตกๆดนๆไม่สมบูรณ์นะ เข้าใจธรรมะไม่ครบไม่สมบูรณ์ได้ยิงไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ขาด ที่เราทํายังไม่ๆมันจะหมุนมาอธิบายตัวที่เรายังทําไม่ได้เนี่ยความเข้าใจที่ มันก็เพิ่มอินทรีย์เพิ่มพละมันก็ทําได้นั่นแหละได้เพราะอํานาจของการฟังพละอย่างนี้จริงๆทําให้เราเกิดกําลังอย่างอย่างที่กล่าวนี้อ่าคุณค่าในการฟังธรรมจึงมีประโยชน์มีผลมีมีมีผลสูงอย่างที่ว่านี้งั้นพวกเรานี่ฟังธรรม แต่ก็มันยังไม่ละเอียดพอมันยังประมาทประมาทมันยังๆให้เห็นจริงๆนี่ก็เทศน์มานี่แหละพาเทศน์แล้วก็พาธรรม ที่อาตมาพาทําเพราะอาตมาให้พวกคุณทําเองซะก็เยอะอาตมาไม่ได้ไปพาที่ๆของ นะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะคุณไปทําเองจากฟังนี่แหละมาก สมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าน่ะเทศน์แล้วก็ได้ฟังเท่านั้นน่ะไม่มีเทปมาให้ฟังหรอกมีพระอานนท์องค์เดียวอ่ะที่กำไรที่สุดพระพุทธเจ้า เข้าหูมั่งไม่เข้าหูมั่งจังหูหัวมันน่ะจะดูถูกดูแคลนไปมั่งเท่านั้นเองก็อยู่ที่คุณน่ะเปิดซ้ําเปิดซากเปิดทวนไปที่ไหนก็ <c oughs> พร้อมช่วยเหลือเฟอร์ไฟล์เยอะเลยนะมันยังได้ขนาดนี้นะสรุปๆเลยแม้ฟังเทปอย่าง อย่าว่าแต่การฟังธรรมเลยฟังธรรมนี่ก็แน่นอนละเวลานั้นเวลานี่อะไรเสริมๆ อะไรต่างๆนานาก็เป็นของแถมก็เป็นธรรมดาที่มีได้เพราะฉะนั้นใครใส่ใจตั้งใจฟังเห็นว่าเออรับสาระมันก็ได้อย่างเป็นๆนี่นะจะๆ อาตมาก็พยายามที่จะเท่ไม่ไม่หรือว่าจะไม่จะเฉดอ่ะพูดนี่แหละก็พยายามจะ แต่สังเกตดูเถอะพยายามที่จะให้เนื้อหาของเข้าใจนาวลีลาในขณะลีลาหยอกเย้านั้น